นิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทําบาปทํากรรมด้วย นายติงไปกับพวกหลายคนพากันเดินทางขึ้นไปบนเขากิจกุฏสมัยที่ขึ้นไปตัดไม้พวกนี้ก็วันตอนกลางวันต่างคนต่างก็ออกไปแสวง ตามหาต้นไม้ไม้หอมนี่แหละวันนึงอ่อนไอ้คืออ่าหินเป็นลานหินกว้าง อ่าถอนหญ้าเพื่อจะนอนพักไม่งั้นจะหญ้าทิ่มหลังก็ปรากฏว่าไปเจอแหวนแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้าเอ๊ะจะเป็นแหวนของใครล่ะแล้วทําไมขึ้นไปอยู่สมัยไหนสมัยไหนก็ พอเจอว่าเป็นนาบเท่านั้นแหละทีแรกถอนคนเดียวปรากฏว่าทีนี้ช่วยกันถอนใหญ่เลยเพื่อจะหาอีกอ่าแสวงหาโชคกันอ่าเหมือนกับรอยเท้าคน ต่อมานายติ่งนายนำนายปริ่มนำลูกชายไปอุปสมบท พอปิดก็พูดขึ้นๆแบบเนี้ยอ่าทางบ้านผมก็มีเหมือนกันน่ะอยู่บน ว่าใหญ่ๆเนี่ยๆเจ้าคณะจังหวัดก็เลยให้พระไปพิสูจน์ดูตัวเองตัวท่านเองยังไม่ได้ไปนายติ่งก็ นะคือรอยพระพุทธบาท 1, 1 เมตรยาว 2 เมตรนะเรียก หินก้อนนี้ที่เรียกกันว่าหินลูกพระบาทนั่นแหละนะครับใครๆลอยอยู่เฉยๆแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้น หลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าภิสูตดูแล้วไม่น่าจะๆคล้ายๆอ่าจากรอยพระพุทธบาทเอ่อ 5 เมตรแล้วยิ่ง อันนี้เค้าเรียกรอยเท้า 15 เมตรต่อจากนั้นไป 15 วาก็มีหินลูกข้างบนเป็นลานจะมองเห็นเออจะอ่ะคนเดินขึ้นมา เสร็จแล้วถ้าขึ้นไปยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือก็จะเห็นถ้ําเต่าลักษณะคล้ายๆเต่าปลวกต่อตอนนั้น มีหินก้อนนึงข้างบนถ้ำมีลักษณะคล้ายๆเรือสำเภาแล้วอีกถ้ำนึงใต้พระอ่าพระพุทธบาทเนี่ยเค้าเรียกถ้ำตฤศีอ่าทีนี้พระบาทแห่งนี้ทําไมถึงเรียกว่าชื่อภูเขาในกรุงราชคฤห์ในคือฟัง คล้ายๆกับว่าได้ไปยังนครราชครอืมสมัยพุทธกาลอ่าหรือว่าปีนึงเรา บาทหรือเท้านี่นับว่า ไม่พาไปก่อความทุกข์หรือความเดือดร้อนให้ เมช้าถ้าเอาก็พาไปติดคุกติดตารางได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่มีใครเลื่อม เพราะว่าจะต้อง 5 กิโลเมตรนะครับหลวงพ่อๆแล้วยากยิ่งที่จะ แต่ถ้าๆแล้วขนาดอายุ 60 70 80 ก็มีเดิน 4 เท้า 3 เท้าก็ยังขึ้นไปสิ่ง ที่มีบุคคลบางจําพวกที่ไปด้วยความไม่มีศรัทธาไปเพราะอยากรู้ๆตามเพื่อนตามพวกอันนี้มักจะ แต่เค้าไม่นมัสการไม่กราบไม่ไหว้ไม่ทําอะไรทั้งนั้นๆเป็นเรื่องอ่าก็มองว่าพวกนี้หลงไปรอยตีนอะไรทํานองเนี้ยนะแถมคนอื่นเค้าถอดรองเท้าว่ามันอ่าเค้าไม่ถอดอ่ะ พอจากนี้คู่เดียวผู้ชายคนที่ว่านี่ก็ง่วงอ่าอยากจะนอนน่ะไปนอน หัวแตกหลายแผลสลบไปหลายชั่วโมงเครอ่าเทวดายังสงสารยังเลี้ยงไว้ให้คนอื่น อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเราค่อยพูดถึงอีก สออสองค์อ่อนแอ่นแต่ว่าไม่เคารพปูชนียสถานเหยียบย่างไปพัดอย่างแรงพัดเอาร่างอรชนของนางนี่ ถอดหมวกถอดรองเท้าก่อนเคารพนบนอบกราบไหว้อ่าขึ้นไปแล้วอ่านี่ให้เห็น เรื่องอธิษฐานในสมัยก่อนที่ท่านมีประชนอยู่ท่านได้ตรัสรู้เป็นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ดีที่ แล้วกลับไปก็จะมีแต่ความปลอดภัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> แล 20 กว่าปีชื่อ ก็ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปเผอิญท่านหลบ เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายท่านเดือน แม่ชีคนนี้มีบุญมากถึงจะมีเสือมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่ ท่านเพียงแต่คิดในใจว่าเอ๊ะรอยพระบาททําไมถึงได้พระอ่ามันเป็นโดยๆรอยเท้าคนขึ้นมาอ่าหลวงเนี่ยจํา ฝันเห็นมีคนรูปร่างใหญ่ตัวดําปึ้ดใส่มือถือกระบองมายืนชี้หน้าว่าท่านเป็นสมณะท่านไม่ควรจะคิดผิดควรจะคิดเสียใหม่ให้ดี เสล้าหลวงพ่อบัวท่านก็บอกเมื่อวานอ่าหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อรีบไป โยนไปในร้อยพระพุทธบาทนั่นแหละโฆษกห้ามคนไม่ฟังแรงร้องแรงมาหาถามได้ความว่าตกลงไปที่หน้าๆให้แล้วก็อ่า หลวงพ่อบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสหรือบุญภาวนาสนาส่งขึ้นไปบนนั้นถ้ามีโอกาสพักแรมหรือว่าค้างคืนๆหลวงพ่อเล่า หลายอายุเอ่อหลายชั่วอายุคนแล้วก็อยู่ในความ ช่วยกันดูแลจัดการพระพุทธบาทแห่งประมาณ 4 ปีทางคณะสงฆ์ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอ่าคนน่ะอยู่ห่างไกลกัน อ่าตัวประกอบก็ไม่มีอ่าหลวงพ่อบอกว่าผู้บัญชาไม่ได้ แล้วก็แต่งตั้งเป็นอ่าคณะบริหารขึ้นมาพอมีพระเดชพระคุณท่านพระครูพุทธบดบริบาลอดีตเจ้าอาวาสวัดพลวง จาก พ.ศ. 2515 ก็เริ่มบุกเบิกทางขึ้นแล้วก็ 2518 ก็หยุดเพียงแค่นั้น ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะได้มากราบไหว้กันมากขึ้นแต่ว่าทางฝ่ายผู้บริหารก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นนะมอง เพราะจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมในเชิงลบ เท่ากับเราเป็นผู้ทําลายประเพณีวัฒนธรรมของเราเองอ่าเพราะว่าคําว่าเทศกาลเช่นพระพุทธบาทลําพูนพระพุทธบาทเทเท 3 ตั้งแต่เดือน 3 1 ค่ำของ 2 ครั้งประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทโดยทั่วๆไปของ 1 ค่ำทำกัน 15 วัน อ่าสมัยนั้นประชาชนยังน้อยแค่ 15 วันก็หมดคนแล้วแต่ว่าเวลา 60 วัน 2 เดือนเต็มๆเริ่มเปิด 30 วันคือปีเด 2537 เปิดเป 45 วันคือเดือนครึ่งอ่าเป 60 วันคือ ถามว่าทําไมต้องเปิด 60 วันเพราะชาวพุทธเกิดมีความเลื่อมใสมากขึ้นก็เป็นเหตุอ่า 60 วันไม่ได้เหรอหลวงพ่อบอกไม่ไหวแล้วเพราะดินฟ้าอากาศไม่อ่าถ้า หรือว่าผู้ที่มีความประสงค์จะขึ้นไปอ่าท่านพ่อเนี่ยมีคนอ่าหลวงพ่อ กั้นไม่ให้ล้ำเขตเข้าไปข้างในไปกั้นป่าไว้อ่าอ่าขาย ทางวัดไม่ได้จัดไม่ได้ทําอะไรเค้าเอามาจากปี 2540 เนี่ยถึง 5 6 ตันเอาไปให้กรมราชทรร บางคนไปเขียนตัวเลขหลอกเอาไว้บังเอิญไปถูกหวยเข้าแล้วยิ่งกว่านั้นน้องใหม่หรือว่า หมายถึงว่าอย่าให้เลยพระบาทนี้ขึ้นอย่าให้เลยพระแดงนี่ขึ้นไปเดี๋ยวจะหลงเข้าไปในป่าแล้วตามไม่เจอเพราะตรงนั้นป่ามันทึบนะได้ยินน่ะหลวงพ่อบอกได้ยินโคโศกมันพูดที่รอดทะงมงายไม่รู้อ่ะงั้นไม่ต้องขึ้นมาหรอกพระแดงไป ที่ประตูบ้านก็ได้ประตูบ้านก็ได้อ่าที่ไอ้รั้วบ้านน่ะแล้วก็นั่งกราบนั่งไหว้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาที่เขากิจกูลหรอกแต่จะกราบพระแดงนะนะมาไหว้พระบาทดินะเออคิดว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยอยู่ที่พระแดงนี่ยังไงผลสุดท้ายหารอยพระบาทไม่เจอก็เลยไม่ได้ไหว้พระบาทอย่างนี้มาแล้วขาดทุนนะไม่อยากให้ เป็นหัวใจนะอ่าเลยรอยพระพุทธบาทนี้ขึ้นไปก็มีเป็นสิ่งประกอบไปแน่นอน จะเอาพระแดงมาเป็นหลักหรือเป็นสรรณะนั้นไม่บังควรเพราะว่ามาอยู่ในค่ายของอาตมาแม้ อ่าจะชวนใครมาแนะนําว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้แล้วก็อาตมาจะอนุโมทนาสาธุด้วยยังมีที่แห่งนึงบนนั้นที่แปลก อ่ะตั้งแต่ถ้ำช้างมุดลงไปเรื่อยๆอ่ะการลงไปเที่ยวในถ้ำ คนโบราณนี่เค้าฉลาดเค้าใช้เทียนเข้าทำกันนะเสร็จแล้วก่อน พ.ศ. ได้ยินเสียงกลองเพลอาตมาก็เอานาฬิกาขึ้น น. พอดีอาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องมีวัดอ่าตรงนี้ล่ะเดี๋ยวกลับไปฉันเพลแล้วมาค้นกัน ครบๆก็ปีนลอดขึ้นไปจะมีอะไรสักอย่างอ่าก็ปีนรอดขึ้นไปพบมีรอยพญาใคร แล้วอาตมาก็เดินลอดถ้ำขึ้น ปี 2544 จนถึงปี 2550 นะครับมาปีที่แล้ว 2544 มีคนคนปีต่อมาปี 2546 230,000 กว่าคน 2547 410,000 2548 430,000 กว่าคนปี 2549 540,000 กว่าคนปี 2550 ครับ 600,000 กว่าคนท่านลูกฟังอ่าเมื่อปีที่แล้วนี้ ใครตรงนั้นแหละใครเพลียก็นอนได้ตรงนั้นแหละฟรี อ่าการ 2 ช่วงช่วงแรก 4 กิโลเมตรครึ่งนะครับค่ารถ 40 บาทระยะ 2 ประมาณ 3 กิโลเมตรค่ารถ 50 บาทก็นับว่าคุ้มมากเมื่อ 3 วัน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้ว ที่มี